เกิดเสยจันหรือบุญคำละมังน้อยดารินสั่นสีสษะไม่ใช่ค่ะพี่กลางแต่เป็นแม่ผมทองคริสติน่าค่ะลองตัดสินใจได้ก่อนทุกคนผูกโยงร่างตนเองติดไว้กับโคนไม้อย่างมั่นคงที่สุดแล้วโรยตัวตามสายเชือกไต่หิวลงไป หล่อนเป็นคนกล้าหาญและฉับไวมากสั่งให้บุญคำตามหลังลงไปอีกคนโดยให้นำสายเชือกสำรองอีกเส้นหนึง่งลงไปด้วยพอลงไปถึงคริสตินาก็ตรวจพบวารพินยังไม่ตายแต่สะบักสะบอมบอบช้ำ ม, มากไม่ได้สติจึงเอาเชือกคล้องใต้รักแร้ทั้งสองด้านของเขาโดยผูกอย่างแข็งแรงที่สุดช่วยกันสองคนกับบุญคำ และส่งสัญญาณให้พักพวกที่รอยอยู่ด้านบนสาวชักรอกระพินขึ้นมาจากเหวตัวเองไตประกบคู่โดยผลักประคองร่างเขาไม่ให้กระทบคลูดกัะแง่หินของขอบเหวจนกระทั่งสามารถนำตัวระพินขึ้นมาพ้นเหวมรณะนั่นได้ค่ะอนุชาลืมตาโพล่เป่าลมออกจากปาก ดารินกล่ำกลืนอะไรบางอย่างลงลำคออันแห้งผากกล่าวต่อไปว่าร่างของระพินถูกหามกลับมายังแคมป์ค่ะแคมป์ซึ่งขณะนั้นเกลื่อนไปด้วยซากช้างที่ตายยับแล้วก็มีการปฐมพยาบาลก็เริ่มขึ้นอย่างรีบด่วนวิทยาศาสตร์การแพทย์ของฝ่ายมริกันดูจะสิ้นหวังแต่บุญคำรีบไปหาสมุนไพรชนิดหนึ่ง มาตำกะเล่าแล้วก็กรอกปากระพิงจึงฟื้นขึ้นมาอย่างกระปกกระเปียกและอาจเจียนออกมาเป็นโลหิตเพราะความช้ำในที่ตกลงไปกระทบระกะแงหินในปล่องเหวนั้นพออาจเจียนจนหมดทั้งเบนและคริสติน่าจึงรักษาต่อเขาถูกให้น้ำเกลือทันทีแล้วก็นอนทรมสติครึ่งครึ่งกลางกลางอยู่ทั้งวัน ตรงบริเวณแคมป์อันเต็มได้ทยากช้างนั่นทุกคนหาทางช่วยกันอย่างเต็มที่มารู้ตัวแน่ชัดอีกครั้งก็ตอนเย็นของวันนั้นอาการเขาตอนนั้นอยู่ในเกณฑ์สาหัสทีเดียวค่ะพอใกล้คำ่ำหัวหน้าคณะคือด็อเตอร์สแตนลีก็สั่งให้ทั้งหมดเคลื่อนย้ายขึ้นไปอาศัยซอกโพรงบนหน้าผานี่เป็นที่หลบภยัย เพเกรงว่าจะถูกไอกองทัพช้างผีสิงหุ่นมาโจมตีซ้ําร่างของระพิน์ถูกนําเข้ามาอาศัยนอนพักอยู่ในถ้านี่แหละก็ถ้าเดียวกับที่กะเรี่ยงที่ชื่อสเสิงนอนเจ็บอยู่ก่อนตอนนั้นอาการของกะเรี่ยงดีขึ้นแล้วแต่ระพินยังหนักอยู่เขาได้รับคําสั่งให้น้ําเกลือและพยาบาลกันอย่างเต็มที่ต่อไป ผู้ที่รับหน้าที่ดูแลรักษาพยาบาลเขาภายในคืนนั้นคือคริสติน่านั่นเองแล้วก็มานอนกันอยู่ตรงนี้ตรงที่พี่กลางและน้อยนอนอยู่นี่แหละคะ่ะที่มันก็ตรงกับหลักฐานที่พี่กลางและลุงอินมาค้นพบทุกอย่างเหตุการณ์หลักฐานมันมาบรรจบกันได้พอดีแล้วดารินเงยหน้าขึ้นเอื้อมมือไปจับกิ่งไผ่ที่ปักอยู่ใกล้ๆตัว ใช่แล้วค่ะนี่คือเสาน้ำเกลือและหนังแก้งอันนี้ก็คือที่ปูนอนซึ่งคริสติน่าแอบเขียนข้อความเชิงกวีเอาไว้ด้านหลังในตอนดึกระหว่างระพินหลักเรากำลังนอนทับรอยของทั้งสองในคืนนั้นไม่ผิดอะไรไปแม้แต่สักอย่างเดียวค่ะ ความเงียบปกคลุมระหว่างพี่น้องไปนานทีเดียวตลอดเวลาอนุชาพินิษฐ์ดูน้องสาวไม่กระพริบเขาจ้องเอาอย่างจริงจรงจังๆเหมือนจะค้นหาออกมาให้ได้ว่าหลอนประมวลเหตุการณ์เหล่านี้ออกมาได้ยังไงในที่สุดเขาก็พึงพัออกมาว่ามันเป็นการลําดับภาพที่มีเหตุผลและเข้าข้าวมากเชอะน้อยแต่ แต่มันก็เลื่อนลอยมากใช่ไหมคะในความคิดของพี่กลางในขณะ น, นี้เอาเถะคะ่ะเพื่อพิสูจน์ว่ามันจะเป็นจริงตามที่น้อยเดาหรือไม่พรุ่งนี้คะ่ะพรุ่งนี้ก่อนออกเดินทางจากที่นี่น้อยจะนำพวกเราให้ไปพบเห็นกับเหวที่ราพินถูกหลอกให้ตกลงไปเชื่อว่าหลักฐานยังคงหลงเหลืออยู่แน่ๆมันก็ไม่ห่างจากหุบผาตะเคียนทองนี้สักเท่าไหรหรอกคะ่ะ น้อยแน่ใจว่าจะนำไปได้อย่างถูกต้องแม่นยำที่สุดค่ะดารินกล่าวอย่างมั่นใจอ่ะน้อยคราวนี้พี่ถามเธอบ้างเห็นน้อยไปนั่งเหมือนจะเข้าฌานอยู่ที่ปากโพรงถ้านั่นพักใหญ่แล้วก็สามารถรู้อะไรต่ออะไรนี่อธิบายพี่ฟังหน่อยสิว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไง พี่กลางคะจะเรียกว่านิมิตหรืออะไรน้อยก็บอกไม่ถูกนะคะแต่ขอสารภาพตามตรงว่าขณะที่น้อยนั่งภาวนาอยู่น้อยขอบารมีองค์มหาฤาษีโกนทัญญะมาปกกล้าวปกเกศเพื่อจะขอทราบเหตุการณ์อันเต็มไปด้วยปริศนานี่ท่านก็มาให้น้อยเห็นและเปิดโลกย้อนหลังชี้นำให้น้อยได้มองเห็นสิ่งที่มันได้ผ่านมาแล้วเกี่ยวกับตัวรพิน เป็นผู้อนุญาตเทพที่ปกครองขุนเขาแห่งนี้จึงนําน้อยไปให้ได้เห็นเหตุหการณ์ทุกอย่างเท่าที่จะให้น้อยรู้ได้น้อยอาจจะคิดสร้างภาพไปเองก็ได้ค่ะแต่หลักฐานสําคัญก็คือถ้าพรุ่งนี้เราไปพบเหวที่รพินหล่นลงไป<ๆ>ก็แปลว่าสิ่งที่น้อยพูดมาทั้งหมดนี่ควรจะถูกต้องทั้งหมดแล้วน้อยแน่ใจเหรอ ว่าจะนำทางไปถูกแน่ใจค่บพี่กลางเพราะที่นิมิตไปนะ่ะมองเห็นทางโดยตลอดทีเดียวทิศทางไปทางด้านไหนภูมิประเทศเป็นยังไงแล้วมันก็ไม่ได้ห่างไกลาจากที่นี่นักอย่างที่บอกแล้วคงไม่ทำให้พวกเราเสียเวลามากะรอกถ้างั้นพรุ่งนี้เราไปดูไปลองดูกันก็ได้อนุชาว่าแล้วเหลือบเข้าไปในซอกโพรงที่เชิฐ้า แล้วก็ชา ย, ยันนอนหลับอยู่น่าเสียดายนะที่สองคนนั้นหลับไปซะลนะไม่ได้มารับฟังสิ่งที่น้อยเล่านี้ด้วยแต่ไม่เป็นไรเรารู้กันก่อนสองคนแล้วก็เฉยๆว่าจ่ะเอาไว้ไปพบเหวที่รพินตกลงไปซะก่อนแล้วพี่จะเล่าให้ทั้งสองคนรู้เองว่าการนั่งเข้าสมาธิของน้อยเมื่อกี้นี้ช่วยน้อยมองเห็นอะไรบ้าง เอาจเชื่อหรืออาจจะไม่เชื่อกันแล้วแต่เา้าว่าแต่น้อยมองเห็นภาพเพียงแค่นี้เหรอไกลไปไกลไปกว่านั้นล่ะเป็นต้นว่าตอนนี้รพินยอยู่ที่ไหนดารินยิ้มเศร้าๆน้อยเห็นเพียงแค่นี้เองค่ะพี่กลางเพราะได้ให้สัจจะไว้กับมหารฤาษีองค์นั้นไว้แล้วว่าจะไม่ขอเห็นอะไรให้มากไปกว่าเหตุการณ์เฉพาะที่เกิดขึ้นที่นี่ เทวนารีผู้ปกครองขุนเขาอันเป็นผู้เบิกโลกให้น้อยได้เห็นก็สกัดกั้นการซักถามของน้อยที่นอกเหนือไปกว่านั้นเช่นกันน้อยรู้แต่เพียงว่าหลังเที่ยงไปแล้วของวันรุ่งขึ้นระพินข้อ ย, ยังชั่วมากล้จึงนําออกเดินทางต่อแล้วก็ต้อนเอากระเรี่ยงตะเคียนทองที่ขึ้นมาอาศัยหลบหนีความตายอยู่บนหน้าผานี่ให้เคลื่อนขบวนไปด้วย เป็นคาราวานใหญ่ทีเดียวอบพยศไปจากที่นี่เข้าใจว่ามุ่งห้วยเสือร้องเพื่อนํำกระเรี่ยงเดนตายพวกนี้ไปรวมตัวอยู่กับพวกห้วยเสือร้องซึ่งเรื่องนี้ทั้งพี่กลางและลุงอินก็สันนิษฐานไว้ก่อนแนละ้วถ้าเราไปถึงห้วยเสือร้องเมื่อไหร่ความมันก็จะยิ่งกระจ่างชัดขึ้นอีกว่าอะไรมันเป็นอะไรน่าสงสารตะพินนะ่ะ ที่มาประสบเคราะห์ร้ายแทบเอาชีวิตไม่รอดที่นี่เฉพาะเพียงแค่เส้นทางเดินระยะต้นๆของเขาเท่านั้นแสดงว่าภัยพิบัติ่มันจ้องจะเล่นงานเขาอย่างหนักที่สุดทีเดียวค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ดูแลอยู่ที่นี่บอกกันน้อยด้วยนะคะว่าเขาเสียลูกหาบของเขาไปสองคนด้วยฝีมือมันไพรเมื่อตอนที่พักอยู่ยังป่าภายัยก่อนเดินทางมายังตะเคียนทองนี่ หลักฐานเราก็พบแล้วตรงหลุมฝังศพที่เจ้าด้วนพาเราให้เข้าไปดูก็เรียงสองคนที่เขาช่วยชีวิตไว้ยกเว้นคนเจ็บคืออุถาและพรโตมาทำหน้าที่แบกของเป็นลูกหาบแทนสองคนที่ตายไปถ้าจะเทียบระหว่างฝ่ายเรากับฝ่ายเขาถือว่าฝ่ายเรายังโชคดีกว่ามากกัะที่ยังไม่เกิดการตายหรือเจ็บสาหัสกันขึ้นเลยแต่ฝ่ายเขาน่ะเจอเาละ ทางฝ่ายเราก็จะประมาทไม่ได้เหมือนกันแหละน้อยความพินาแต่มันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ตอนนี้ก็ดึกมากแล้วนอนซะอน้อยพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่แล้วกันกล่าวจบพี่ชายก็ดึงไหล่น้องสาวให้เอลลงนอนเป็นคืนแรกที่ดารินวราฤทธิ์ต้องอาศัยยานอนหลับ แล้วหลอนก็ฝันร้ายฝันร้ายยุ่งเหยิงไปสารพัดเท่าที่จิตใจจะประวัติคิดไปก่อนที่จะม้อยหลับมันเป็นฝันเศร้าสลดหดหูบีบคั้นดวงใจเหลือประมาณในฝันมีตัวหลอนอยู่เพียงคนเดียววิ่งกระเจิดกระเจิงค้นหาระพินในทุ่งหญ้ารอบด้านแวดล้อมไปด้วยขุนเขาทรรมน เป็นราตรีสีครามประดับไปด้วยดวงดาวและจันทร์เสี้ยวหล่อนตะโกนเรียกนามเขามีเสียงตอบมาแต่มองไม่เห็นตัวประเดี๋ยวดังมาจากทางซ้ายประเดี๋ยวแว่ออกมาจากทางขวาหลอนวิ่งวิ่งวิ่งแล้วก็หยุดหยุดหยุดมองค้นหาแล้วกูเรียก ทุกครั้งมีเสียงตอบทว่าคงไม่เห็นตัวอยู่เช่นนั้นกระเซาอกระเซิงสมซารอยู่เดียวดายในความวิเวกเปล่าเปลี่ยวอ้างวางนั้นและแล้วกลางทุ่งหญ้าป่าเปลี่ยวนั้นดารินก็หมดแรงล้มฟุบลงต่อมาจึงสัมผัสได้กับฝ่ามืออบอุ่นแตะมาที่ไหล่พลิก ระคองขึ้นหลอนเห็นเขาระพินไทรวันกำลังสุดกายโอบระกองอยู่หลอนร้องเรียกน้ำเขาแล ะ, ะหวาเขากอดรัดไว้แน่ระพินยอดรักตามผมมาได้ครับเราจะพบกัน นักที่ใดที่หนึ่งแน่นอนถ้าเรายังมีหัวใจรักมั่นคงต่อกันไม่พบนี้ก็พบหน้าครับแล้วภาพนั้นก็ค่อยๆเลือนจางหายไปเกินกว่าที่หลอนจะกไฟควายยึดกายเขาไว้ได้ในฝัน หลอนสิ้นแรงสิ้นหวังหมดกำลังที่จะทรงกายขึ้นมาได้อีกแล้วแลวนะหนบัตรนั้นสิริลักษณ์อันร่างงานงามวาววับไปด้วยเกราะทองคำร่างหนึ่งก็ปรากฏยืนเด่นอยู่ตรงหน้าแทนที่แงซายจักรราษของพี่ ดารินครางอย่างรันทดอดีตคนใช้ประจำตัวนามว่าแงซายหรืออีกนายหนึ่งจั ก, กรราชแห่งมรกตนครแย้มสวนน้อยส่งหัตต์อันแข็งแรงมาให้หลอนจับยึดไว้แน่นครับนายหญิงของแงซายพี่สาวของจักรราชอย่าร้องไห้ครับ อย่าร้องไห้จับมือผมไว้ครับแล้วลุกขึ้นมารักแท้ย่อมเต็งไปด้วยอุปสรรคขวางหนามผมจะนำทางให้แกพี่สาวเองครับนะักจุดใดจุดหนึ่งที่ทิวาพบกับราตรีการนะักจุดนั้น คือจุดที่ความรักสมปรารถนาอย่าท้อแท้สิ้นหวังครับกราบใดก็ตามที่แงซายหรือจักรราบยังอยู่ครับ109คืนนั้นผ่านไปอย่างสงบราบคาบไม่มีเหตุเพศภัยหรือสิ่งใดกระตุกกระตากเข้ามาแผ่พานเลยสำหรับคณะของเชฐดา ที่ขึ้นมายึดนอนอยู่บนหน้าผาตะเคียนทองอันเนื่องมาจากรีบเข้าหลับนอนเอาแรงไว้ก่อนตั้งแต่หัวค่ำและหลับรวดเดียวตลอดโดยไม่ได้ตื่นขึ้นมาอีกเลยทั้งเชษฐาและช ย, ยันจึงตื่นขึ้นก่อนอนุชาดารินและหนานอินทั้งสองช่วยกันลุกขึ้นมาต้มกาแฟสำเร็จรูปสนทนากันเบาๆรอให้หมอกจางลงสก่อน ขณะนั้นห้านาฬิกาสสิบนาทีอนุชาคงจะแววเสียงคุยกันพึมพำจึงรู้สึกตัวและลุกขึ้นมาร่วมด้วยโดยปล่อยให้น้องสาวนอนหลับต่อไปเนื่องจากรู้ว่าเมื่อคืนที่แล้วกวาหลอนจะหลับลงได้ก็ดึกมากแล้วแล้วอดีตพรานชดก็เล่าให้เพื่อนและพี่ใหญ่ทราบเรื่องโดยตลอดทั้งหมดของเมื่อคืนระหว่างเขา กับน้องสาวคนเล็กในขณะที่เชิฐาและชา ย, ยันหลับทั้งสองฟังแล้วมีอาการประหลาดฉงุนใจอยู่ครามครมั้นน้อยมียานสังหอนเรื่องอะไรแปลกๆอยู่เสมอนะพี่ชายใหญ่กล่าวออกมาเบาๆคนกำลังฟุ้งซ่านขีดสุดฉันมาเป็นห่วงจริงๆกลัวน้อยจะฟันเฟือนเลอะเธอไปซะก่อน ระหว่างที่เราออกเดินทางติดตามระพินิชยันบ่นเบาๆนี่แกแปลว่าแกไม่เชื่อในสิ่งที่น้อยเล่าให้ให้กลางฟังเหะอดีตท่านทูตทหารบุกพี่ใหญ่ของคณะถามชายันถอนใจเขือกฉันว่าน้อยนั่งสะกดจิตตัวเองแล้วมองเห็นภาพหรือสร้างภาพเองมากกว่านะ ยังไงก็ตามเรามีข้อพิสูจน์ได้เดี๋ยวถ้าเขาตื่นขึ้นมาก็ลองเขานำทางไปยังตำแหน่งเหิวที่อ้างวารพินตกลงไปสลบอยู่ถ้าค้นพบที่นั่นจริงๆก็แปลว่าทุกสิ่งทุกอย่างถูกต้องหมดตามคำบอกเล่าของเขาที่บอกกับกลางไว้อืมกลางเมื่อคืนน้อยหลับไปเมื่อไหร่พอจะรู้ไหมอนุชาถามเชถาถามอนุชา แล้วเหลือบมองไปยังร่างอันนอนขดตัวคู่อยู่ของน้องสาวอย่างสมเพชก็คงจะดึกมากแล้วครับพี่ใหญ่เพราะลําพังผมเองกว่าจะหลับไปได้ก็เข้าไปตั้งเกือบห้าทุ่มนะผมว่าน้อยหลับที่หลังผมอะและระหว่างที่น้อยไปนั่งสมาธิอยู่เนะี่ยแกไม่ได้หลับหรอกเลยชยันถามมาอีกฉันเห็นท่าผิดปกติเหมือนกันอะตอนนั้น ก็เลยทําเป็นหลับแต่คอยสังเกตดูอยู่ตลอดเวลาน้อยนะ่ะนั่งอยู่นานทีเดียวรวมชั่วโมงมีลุงอินนั่งกากับหลังอยู่ด้วยก็เลยอุ่นใจได้ว่าคงไม่เกิดอะไรขึ้นความจริงตอนที่เขากลับมานอนลืมตาค้างอยู่นั่นเขาก็คงไม่ต้องการจะบอกเล่าอะไรกับฉันหรอกแต่ฉันถามขึ้นเขาจึงรู้ว่าตลอดเวลาที่เขาออกไปนั่งอยู่ใกล้ๆป า, ากโพรงทําฉันหลับ ฉันจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาก็เลยบอกให้ฟังว่าเขาเห็นอะไรบางอย่างเออนี่ธรรมหาหาฤาษีกนธัญญามาปลดเขาจริงๆตามที่เขาเล่าให้เธอฟังมันก็คงจะมีข้านะพวกเราทุกคนก็รู้จักกับความศักดิ์สิทธิ์อภินิหารของอรหันต์องค์ น, นั้นดีอยู่แล้วนะเทศทากล่าวอย่างใครครวนลึก ดารินตื่นเมื่อหกนาฬิกาตรงแสงอรุณเริ่มสาดสว่างผ่านละอองหมอกเข้ามาภายหลังจากใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำร้อนที่พวกพี่ๆต้มไว้ก่อนแล้วลูบเช็ดหน้าขจัดความงวงเงียออกไปหล่อนก็เข้ามาร่วมวงด้วยทุกคนมองจับมาเป็นตาเดียวพี่ชายใหญ่ส่งกาแฟไปให้หล่อนประคองขึ้นจิตเป็นไง แจมใสแช่มชื่นมีกำลังกายและใจพอที่จะบุกต่อไปได้ไหมเชยันถามขึ้นเบาๆกำลังกายและกำลังใจที่จะบุกนะ่ต่อให้สุดล่าฟ้าเขียวก็ไหวแต่ถ้าจะให้แจมใสแช่มชื่นบอกตามตรงเจ้าไรที่ไหนมาเช่มชื่นได้ละ่ะหลนตอบเป็นประโยคแรกแถวต่ำน้อย พี่ใหญ่ของคณะเอ่ยขึ้นเอื้อมมือมาลูบหลังอย่างปราณีพี่กชัยันรู้เรื่องหมดแล้วนะที่น้อยเล่าอะไรให้พี่กลางก็ฟังเมื่อคือนนะ่ะน้อยเหลวไหลายบ้าเพอ้อไปมากไหมคะหลอนย้อนถามเรียบยๆว่าเดี๋ยวเราจะพิสูจน์กันดูรอให้หมอกจางลงกว่านี้อีกสักนิดนึงว่าจะน้อยแน่ใจนะว่าจะพาไปจนพบเหวที่น้อยมองเห็นในนิมิต ว่าราพินหล่นลงไปอะค่ะแน่ใจที่สุดและทถ้าไม่พบมันก็แปลว่าภาพที่น้อยเห็นทั้งหมดตามที่เล่าที่กลางฟังไปแล้วล้วนเป็นภาพหลอนหาความจริงอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าพบทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นความจริงทั้งหมดเหมือนกันค่ะอนุชาตะโกนบอกนานอินซึ่งตื่นขึ้นมาในเวลาไล่เลี่ยกับดาริน ให้แกออกไปปลูกบรรดาพวกลูกหาบทั้งหลายสั่งให้กินอาหารและเตรียมตัวทันทีให้เวลาอีกยี่สิบนาทีนะเราทั้งหมดจะเคลื่อนย้ายลงจากที่นี่และไปจากอุดผาตะเคียนทองแล้วเขาตะโกนกำชับไปหนานอินรับคำรับปากโพรงถ้าแคบแค เดินไต่เลาะไปสำรวจดูพวกลูกหาบที่แยกย้ายกันนอนอยู่ตามช่องใกล้เคียงชั่วไม่นานทั้ง16บคนของคณะก็พร้อมสัมพาระโดยพวกลูกหาบค่อยๆทยอยเคลื่อนลงไปก่อนอย่างระมัดระวังภายใต้าการควบคุมดูแลและสั่งการของหนานอินและขยินสามคนพี่น้องและเพื่อนชายอีกหนึ่ง บัดนี้พากันออกมายืนสูดอากาศบริสุทธิ์ยามเช้าอยู่ยังบริเวณปากโพรงถ้ากว่าตามองลงไปยังทิวแท็กเบื้องล่างอันพอจะมองเห็นอะไรได้ชัดเจนพอสมควรเพราะหมอกจางลงมากแล้วกลิ่นไอซากเน่าของพวกช้างตายจำนวนมากไม่ได้โชยขึ้นมายังบริเวณหน้าผาตาแหน่งนี้เลยเพราะอยู่ในระดับเหนือลงดาริ่งชีมือไปยังริมฝั่งทาน อันเต็มไปได้วยยอดของป่าเขียวครึ้นโนนค่ะไปทางเนินฝากโ น, น้นต้องข้ามลำธารไปสักก่อนผ่านป่าเถาวันไม่ไกลนะักก็จะพบกันเนินเตี้ยๆค่อนข้างโล่งเหวควรจะอยู่บนเนินนั่นะค่ะฟังเสียงก็ดูมั่นใจเหลือเกินนะน้อยชัยันเอ่ยขึ้นลอยๆทอดสายตาเม่นมองตาม ก็ฉันเห็นน่ะเห็นจากในนี้ราชสกุลสาวบอกขณะที่เคาะไปที่ศีรษะของตนเองเอาเอาถ้างั้นก็เคลื่อนที่ได้มันก็คงไม่เสียเวลามากเกินไปนักหรอกไปดูกันให้รู้แจ้งเห็นจริงเลยแล้วกันพี่ชายใหญ่บอกแล้วโบกมือทั้งสี่คนเริ่มไต่ลงทันที โดยการนำของอนุชาซึ่งคอยร้องเตือนอยู่ตลอดเวลาว่าให้ทุกคนใช้ความระมัดระวังในการเกาะไตา่แง่หินเลือกเอาตำแหน่งที่มั่นคงที่สุดเพราะหินแต่ละก้อนยังเปียกชุ่มไว้ด้วยน้ำค้างและลื่นประกอบกับสถานที่อันสูงชันส่วนน้าอินกับขยินก็ส่งเสียงตะโกนโวกเวกคอยบงการลูกหาให้เคลื่อนต่าลงไปตามลาดับโดยล่วงหน้าลงไปก่อนแล้ว พอใกล้จะลงถึงตีนเนินกลิ่นซากเน่าก็โชยตลบมารบกวนระบบนาศิกประสาทของทุกคนอีกแม้จะแทบทนไม่ไหวเพราะจำนวนมันมากเหลือเกินทุกคนก็จำใจต้องทนอนุชาตะโกนสั่งขยินให้พวกลูกหาบทุกคนไม่ต้องรีรออยู่บริเวณนั้นให้เสียเวลาแต่ให้มุ่งตรงไปยังชายฝั่งของลำธารทันทีคงมีก็แต่นานอินเท่านั้นที่เข้ามาร่วมกลุ่มอยู่กับคณะ เจ้านายด้วยประกายแดดยามเช้าเริ่มจะแทงลอดแนวหมอกเป็นลำลงมาซองเห็นอนาบริเวณชัดเจนกระจ่างตายิ่งขึ้นทุกคนในกลุ่มของเชตฐากว่าตาไปรอบๆจะมองไปทางไหนก็ช้างช้างแล้วก็ช้างทางนั้นทุกตัวขึ้นอึดทืดและเปยแฟะน้ำเหลืองนองเจึ่งไปหมด เลยเห็นได้ถนัดกว่าเมื่อตอนใกล้ค่าที่รีบรุดกันผ่านเข้ามาร่องรอยของการตั้งแคมป์อยู่ตรงตีนเชิงผาก็ยังพอจะสังเกตเห็นได้แม้ว่าตลอดทั้งบริเวณจะมีซาด ช, ช้างมาล้มตายเกลื่อนไปหมดก็ตามรอยก่อกองไฟใหญ่ร้านย่างเนื้อที่ถล่มทลายและเส้นไหวที่ร้อยเนื้อช้างในลักษณะขึงเป็นราวไว แต่บักนี้ถูกกระชากขาดลงมาระเนระนาดยุ่งเหยิงอยู่กับพื้นก็ยังทิ้งให้เห็นพอจะใช้เป็นข้อสันนิษฐานได้โดยชีย้บอกการเวลาที่แตกต่างกันออกไปในระหว่างที่คณะของรพินมาหยุดยั้งอยู่บริเวณนี้เป็นการสำรวจดูกันอย่างคร่าวๆและพยายามเดินหลีกเลี่ยงกองน้ำเหลืองเหล่านั้นโดยพยายามไม่อ้าปากพูดคาใดกันเลยนอกจากชี้ รืศกิจให้กันดูในสิ่งที่ต่างคนต่างจะเห็นในแง่มุมไหนจากนั้นก็รีบลงไปยังตำแหน่งที่ขยินคุมพวกลูกหาบรอคอยอยู่อันมีแท่นหินขนาดใหญ่โผล่ขึ้นมาจากใต้ดินที่นี่กลิ่นเน่าทุเลาลงบ้างเล็กน้อยดารินจ้องสังเกตไปยังแท่นหินใหญ่ก้อนนั้นแล้วกว่าตาดูต่ำไปยังพุ่มพง กับทางด่านที่จะนำลงสู่ลำธารและบอกเสียงหนักๆว่าคืนนั้นรพินมานอนดักอยู่ตรงนี้แหละใช่แล้วตรงนี้แน่ๆเลยตอนที่ไอ้ผีร้ายแอบเข้ามาหมายเล่นงานเขาเาชษฐาชยันอนุชาเลนนานอินก้มลงสำรวจแต่ก็ไม่ได้ร่องรอยอะไรอันน่าพอใจนะนานอินผู้ยังไม่เข้าใจอะไรมาก่อนก็ถามว่า ทำไมนายหญิงถึงว่านายระพินมานอนอยู่ตรงนี้ล่ะมันไม่ใช่ที่ตั้งปางพักของพวกนั้นเลยนี่หล่อนไม่ตอบแต่ค้าเม่นมองไปยังโขดหินก้อนนั้นเหมือนจะทบทวนความจําพรานชดก็ตัดบทกระคนของเขาโดยยังไม่ประสงค์ใจใซักไซอะไรกันมากกว่าประเดี๋ยนายหญิงจะแกะรอยอะไรสักอย่างหนึง่ง ลุงอินกับพวกเราก็ทำหน้าที่ตามเข้าไปแล้วกันอ่ะน้อยนำทางได้แล้วด่ารินกัดริมฝีปากนิดหนึ่งรีตาลงหล่อนหมุนตัวไปรอบๆแล้วก็หันมาหยุดทางด้านซ้ายมืออันเป็นพงเถาวันทึบและดูสลับซับซ้อนไปด้วยเนินปลวกและก้อนหินล้วนเป็นที่กำบังตาทั้งสิ้นแล้วก้าวออกเดินทันที อนุชาหันมาโบกมือให้ทุกคนแล้วคณะทั้งหมดก็ออกเดินตามหลังหล่อนซึ่งนำไปอย่างแคล่วคล่องเราก็เคยผ่านทางมาก่อนฉะนั้นหนทางนั้นมันเต็มไปด้วยแง่มุมที่บังตาไม่สามารถจะมองเห็นภูมิประเทศเบื้องหน้าไปได้ไกลนักนอกจากจะเลี้ยวเลาะไปเรื่อยๆตามโขดเขินและผงไม้หล่อนจับเถาวันที่ห้อยขวางอยู่อันหนึ่ง พิจารณาดูอยู่แวบเดียวก็ออกเดินต่อเมื่ออนุชาซึ่งเดินตามหลังมาเป็นคนที่สองมาถึงตำแหน่งนั้นเขาก็เลยเห็นรอยมีดสับฟันเถาวันเส้นนั้นไว้เป็นรอยเวอร์แต่ไม่ถึงกระแขกเอชัดเข้าข้าวแฮกเขาพึงพมออกมาเบาๆเทฐาชยันตามมาเห็นเกือบจะพร้อมๆกัน ต่างมองสุกตากันแล้วก็ออกกระชั้นชิดติดหลังดารินต่อไปถ้ายินและพวกลูกหาดแบกของตามมาทั้งขบวนพอพี่ชายและเพื่อนเร่งฝีเท้ามาทันชนิดเอื้อมมือถึงดารินก็บอกโดยไม่ได้หันหลังกลับมาว่านี่มันล่อเขาตามมาทางนี้ล่ะคะ่ะแล้วขอยสังเกตด้วยนะคะว่ามันเต็มไปด้วยโขถหินซุ้มไมบ้บัง ทำไม่มองเห็นตัวไม่ถนัด้วพินไม่สามารถจะยิงได้เลยระหว่างติดตามมันไปเพราะมองไม่เห็นตัวได้ยินแต่เสียงของมันเท่านั้นอ่ะอ่ะนี่ยังไงรอยเอามีดเฉาะต้นไม้ไว้อีกรอนชี้ให้ทุกคนเบื้องหลังดูมันเป็นความจริงขงมบีดชนิดใบมีดหนักและหนาลักษณะควรจะเป็นมีดแบบโบวี้สับไว้ที่ลําต้นของตะเคียนใหญ่ต้นหนึง่ง ที่ล่อนนำเลาะลักผ่านไประดับรอยมีดสูงขนาดเหนือเอวเล็กน้อยและขนทางนั้นเป็นป่ารกชัดไม่ใช่ทางเดินของสัตว์เลยเป็นการบุกพงไปอย่างเห็นชัดอันสอเจตนาได้ว่าใครก็ตามที่เดินบุกเข้ามาในที่รกแบบนี้จะต้องมีจุดหมายอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ใช่การเดินไปอย่างธรรมดาแน่ เพราะอย่าว่าแต่คนเลยแม้สัตว์ป่าเองถ้าไม่จําเป็นมันยังไม่เลือกเดินตัดพงรกรกให้ลำบากนอกจากสัตว์ประเภทเลื้อยคลานหรือสัตว์ร้ายอันจะย่องตัดทางมาเพื่อหมายเล่นงานเหยื่อเท่านั้นพอตัดจากโคกสูงลงสู่ตลิ่งของลำธาร ทุกคนก็แววเสียงลั่นโกรโกเรกขึ้นเบาๆอย่างป่าของเนินเขาฝั่งตรงข้ามดารินชนะหล่อนจำได้ดีที่สุดและทุกคนก็จำได้มันควรจะเป็นเสียงกระดึงที่หลอนผูกคอเจ้าด้วนไว้นั่นเองด้วน ดารินร้องตะโกนแหลมก้องขึ้นอย่างยินดีมีเสียงเป่าลมพลูออกจากปลายงวงเสียงกิ่งไม้ระลุแล้วเสียงโกรกเกรกจากลำกล้องไัยที่มีวัตถุแว่งกระทบภายในทำให้บังเกิดเสียงกังวานก้องก็ยิ่งดังชัดเจนมากขึ้น แล้วชั่วอืดใจเดียวร่างมาหือมาของคจชสารใหญ่อันเปรียบสเสมือนช้างเลี้ยงของดารินก็โผล่มาจากป่าฝั่งตรงข้ามกับที่ทุกคนยืนอยู่ชู ง, งวงขึ้นสูงออกเสียงแอเหมือนจะร้องตอบรับการเรียกของหลอนดารินยิ้มออกมาได้อย่างยินดีส่งเสียงทักทายมันลั่น นับว่าเป็นความฉลาดของหล่อนอย่างยิ่งที่ให้นานอินกับขยินช่วยกันทำกระดึงผูกคอเจ้าด้วนไว้เพื่อจะได้ใช้เสียงจากกระดึงนั้นป้องกันความเข้าใจผิดเพราะในภาวะเช่นนี้หรือต่อให้การข้างหน้าก็ตามหากไม่มีเสียงเตือนให้รู้ว่าเป็นมันจูจ่ๆก็โผล่ไม้ห็นแบบนี้มีหวังคณะน้าพักและแม้แต่ตัวหล่อน อาจจะเข้าใจผิดแล้วยิงเอาง่ายงแต่นี่พอจะได้ยินเสียงกระดึงที่ผูกคอมันไว้ดังขึ้นก็ทำให้รู้ได้ทันทีเจ้าด้วนพลวกมายืนเหมือนจะรอรับอยู่แล้วยังฝั่งโนนทุกครั้งที่มันโยกกายไหวอยู่ไปมากระดึงที่ผูกคอไว้ปรากฏเสียงดังขึ้นทุกทีไป ไอ้ด้วนจริงๆแหละโอ้ยหายไปครึ่งวันกันอีกทั้งคืนโผล่ออกมาละใช้ยันอูทานออกมาดารินก้าวสวบๆลงไปยังริมฝั่งทานทันทีโบกมือพักพวกตามหลังมาพร้อมกับประกาศก้องออกไปว่าด้วนถ้าน่าจะรู้ดีนะว่าเหวที่เจ้านายของเธอถูกให้ผีดิดมันไตรล่อลงไปตกเนะ่อยู่ที่ไหนช่น้าทางหน่อยดิ ช่างแสนรู้คู่บารมีร้องแวทและหมุนตัวกลับเดินช้าๆดารินกระโดดไปตามแกงแง่งโคถิ้งตามลำธารตื้นๆนั้นก่อนและทุกคนก็ลุยตามไปในทันทีเหมือนกันเจ้าด้วนหยุดรออยู่จนกระทั่งหล่อนลุยน้ำบริเวณใกล้กับฝั่งตรงข้ามประมาณลึกแค่เข่าเข้าไปถึงฝั่งตรงข้ามมันจึงเริ่มออกเดินนาเนินขึ้นไป อย่างเชื่มช้าทุกคนอยู่ในภาวะงงงอดปะหลาดใจสะมิได้ทั้งทั้งที่รู้กันมาก่อนแล้วว่าระหว่างช้างปลาที่ระพินเคยให้ความปราณีตัวนี้กับราชสกุลสาวมีสัญชาตญาณอย่างซึ่งเข้าถึงจิตใจซึ่งกันและกันได้อย่างสนิทแน่น ยามที่หลอนกำลังต้องการแสวงหาร่องรอยเพิ่มเติมจากเขาผู้นั้นเช่นนี้หลอนสามารถบงการหรือทำความเข้าใจกับมันได้อย่างไรเป็นสิ่ง ล, ลึกลับเหนือเดาน้อยนั่นจะตามเจ้าด้วนไปเลยก็ไหนว่าจะนำทางไปเองไงล่ะระ ว, วังเดี๋ยวมันก็พาเตลิดเปิดเปิงออกนอกลูก่นอกทางไปด้านอื่นซะนะ ชัยันตะโกนไล่หลังมาไม่มีวันหรอกไม่มีวันที่มันจะพาตะเตลิดไปไหนด้วนนะ่ะรู้ดีว่าควรจะนำไปทางไหนเอาทุกคนตามมาเร็วๆดารินร้องตอบมากระชับไรเฟินอยู่ในซอกแขนและสาวเทาว้ายาวๆตามหลังเจ้าด้วนไปอย่างไม่สนใจที่จะเหลียวกลับมาดูหลังอีกทุกคนจำใจต้องตามหล่อนไปทั้งหมด โดยหลีกเลี่ยงหรือยับยังยังไงไม่ได้ชั่วครู่เดียวของการนำเลาะลักไปตามสุ่มทุมพุ่มไม้รกและเริ่มไต่สูงขึ้นไปตามลาดับบนภูมิประเทศอันมีลักษณะเหมือนหลังเต่านั้นป่าก็เริ่มโปร่งขึ้นทีละน้อยมีไม้ใหญ่ยืนต้นเรียงรายอยู่ห่างๆกันและพื้นเกลื่อนไปด้วยศพไม้แห้งที่หล่นลงมาทับถมกันอยู่ ช้างใหญ่ดุมเดินนาขึ้นไปยังเนินลูกนั้นดารินตาเป็นประกายเมื่อมองเห็นภูมิประเทศนั้นได้ชัดกับตาหล่อนกระชากกิ่งไม้แห้งเล็กๆติดมือมากัดไว้ด้วยฟันหน้าทั้งสองตามติดเจ้าด้วนไปราวกับพรานอาชีพบัด น, นี้พระกำลังและความคล่องแคล่วฉับไวได้กลับคืนมาเป็นของหล่อนแล้วทิ้งระยะพักพวกเบื้องหลังอันเป็นพี่ชายและเพื่อนห่างไปราวสหเมตร อนุชาชัยยันและเชษฐาไม่มีใครประมาททุกคนปลดไรเฟิลออกจากการสะพายขึ้นมาถือในลักษณะเตรียมพรม้อมและเป็นตายหลังระแวดระวังไทยใดๆก็ตามที่มันอาจจู่โจมก็มาถึงดารินได้ในแบบที่อาจคาดฝันไปไม่ถึงอันเนื่องมาจากทุกคนคุ้นภัยดีอยู่แล้วและบัตรนั้นเอง ชานใหญ่ก็มาหยุดยืนหมุนตัวและส่งเสียงร้องยาวดังก้องขึ้นอีกครั้งเมื่อมาถึงระดับกึ่งกลางเนินในระหว่างต้นไม้ใหญ่คู่หนึง่งดารินเร่งฝีเท้าไตาตามเข้าไปถึงแล้วหยุดยืนนิ่งอยู่ยังบริเวณ น, นั้นลักษณะของหลอนก้มลงมองลงไปยังพื้นเบื้องล่างซึ่งพักพวกทุกคนยังไม่สามารถเห็นได้ว่าหลอนมองอะไร ว่ายังไงน้อยเห็นอะไรอนุชาตะโกนถามมาหล่อนไม่ตอบหันหน้ากลับลงมามองพักพวกแล้วก้าวลงไปดูพื้นตามเดิมเจ้าด้วนก็ยืนสงบนิ่งอยู่ข้างๆหลอนตรงนั้นเองอนุชาสั่งให้พวกลูกหาปลงของไว้ที่ตีเนินก่อนเพราะระยะทางมันโลง่งมองเห็นกันได้อย่างถนัดไม่มีอะไรกำบงัง บางส่วนหยุดรอเฝ้าของบางส่วนก็ถือเฉพาะปืนประจำตัววิ่งตามพวกเจ้านายขึ้นมาเป็นพรวนธนุชาเชษฐาและชยันวิ่งขึ้นมาถึงตำแหน่งที่ดารินหยุดยืนอยู่ก่อนนั้นเป็นชุดแรกสิ่งที่ปรากฏชัดกับสายตาบัดนี้ทำให้ต้องอุทานออกมาเป็นเสียงเดียวและชะนักนิ่งกันไปหมดชั่วขณะมันเป็นปล่องเหว ที่เหมือนมีใครเจาะให้ทะลุลงไปในพื้นของเนินที่เทลาดประมาณ25องศานั้นขนาดปากเขียวกว้างราว 3-4 ตารางเมตรรูปร่างเบี้ยวเมื่อชะโงกหน้าดูทั้งหมดก็ใจหายวุบเพราะลิ้วลึกลงไปสู่ความดำมืดและดูเหมือนจะไม่ใช่แนวตรงหากแต่หักเป็นแง่เป็นมุมชอนลึกลงไปอีก จนสุดที่จะคำนวณได้ว่ามันลึกซักเท่าใดรอบรอบขอบผิวระดับที่ต่ำลงไประเกะระากะาไปด้วยแง่หินและรากไม้ที่โผรพราวไปหมดชัดเหมย่งคราวนี้ในสิ่งที่น้อยมองเห็นตามภาพนิมิตเมื่อคืนอย่างที่บอกกับพี่กลางไปแล้วดาลินพูดขรึมขึมเรียบเรียบเมื่อทุกคนยังจ้องตะลึง และเงียบงันอยู่หล่อนควักบุหรี่อกมาจุดอัดควันอย่างหนักหน่วงเยือกเย็นบุยปากไปยังกองกิ่งใบไม้แห้งจำนวนหนึง่งซึ่งมีรอยลากออกใบวางสุมไว้ไม่ห่างจากบริเวณปากเหี่ยวเท่าใด น, ะนั่นไงกิ่งไม้ใบไม้ที่นำมาสะอัาพรางไว้ที่ปากเหียวเพื่อไม่มองเห็น จะได้เหยียบล่นลงไปณการที่กิ่งไม้พวกนั้นถูกเรือไปกองไว้ที่นั่นก็เพราะพวกพรานพื้นเมืองของระพินัณนายจ้างเมริกันตามมาพบเข้าเคลียรบริเวณออกไปเพื่อจะได้ไต่เชือกลงไปเอาตัวระพินขึ้นมาได้อย่างสะดว ก, น, กว น, น, นั้นอินและขยิงกระลูกหา บ, บางส่วนตามมาถึงก็พูดอะไรกันแซ่ไปหมดแต่ยังไม่เข้าใจรหัสอะไรนะัก อนุชาเชธฐาและชยันเดินตรวจไปรอบๆและโดยไม่ได้เอ่ยคำใดขึ้นเลยอนุชาก็ค้นพบก้นบุรีก้นซิก้าถูกทิ้งเกลื่อนอยู่หลายมวลเขาหยิบขึ้นมาพิจารณาแล้วส่งไปให้ทั้งเชธฐาและชยันดูทั้งสองเมมริมฝีปากใกล้ทย่จงังไรกลางชายันถามเสียงหืดๆในลำคอ สิ่งที่น้อยรู้เห็นจากการนั่งสมาธิเมื่อคือนนี่เห็นจะเป็นความจริงช่แล้วรืระพินถุงไอ้ผีนรกนั่นล่อให้เดินมาตกลงไปในปล่องเหวนี่แน่แน่เลยเหตุการณ์ที่เขาเดินมาตกเหวสลบไปโดยอาจจะติดคาอยู่กับรากไม้หรือเถาวัลข้างล่างนั่นเป็นเวลากลางคืนแล้วพวกลูกน้องกับนายจ้างก็ติดตามมาพบเข่าในเวลาเช้าของวันรุ่งขึ้นแลวสาหรับระพินน่ะ หล่นลงไปในปล่องเหวนี่ถ้าไม่ตายไปก็นับประบุนโขแะคางเหลืองแน่อีแบบเนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในลักษณะไหนเนี่ยอะน้อยพออธิบายได้ไหมเอาละเราพบกระหิวที่สันนิษฐานว่ารับพินหล่นลงไปแล้วดารินป้ายแขนเสือ้อเช็ดเหงื่อที่ผุดซึมบนหน้าผากและชี้มือไปที่โคนไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ สูงขึ้นไปราวสิบห้าเมตรไอ้นรกนั่นมันไปแอบกำบังไม่ยอมเข้าทางปืนของระพินอยู่หลังโคนไม้ใหญ่นั่นภายหลังจากที่ล่อเขามายังจุดที่มันวางกับดักไว้แล้วนี่ไงดารินพูดอย่างหนักแน่นมั่นคงและเป็นการอธิบายที่ละเอียดราวกับจะมองเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นด้วยสายตาทั้งสองข้างของตนอี ตอนนั้นน่ะมันหัวเราะเยาะยั่วครเขารปินก็ไต่ขึ้นมาคุมเชิงอยู่บริเวณใกล้เคียงนี่แหละเขามองเห็นแล้วว่ามันเป็นภูมิประเทศค่อนข้างโลง่งไอ้ผีนั่นจะผลาออกจากโคนไม้น่ะไม่ได้เพราะถ้าผลักออกมาเขาก็จะต้องส่องไฟเห็นและเข้าทางปืนทันทีวิธีเดียวที่เขาจะทําได้ก็คือหาทางเดินเลาะอ้อมเพื่อเห็นตัวมันซึ่งบังอยู่หลังต้นไม้นั่น หล่อนหยุดเว้นระยะนิดหนึ่งฝืนยิ้มกร้านเกรียมตาลุกวาวเป็นประกายคมกล้าบัดนี้สภาพของหล่อนราวกับผู้ชายคนนึงมุมที่เขายืนกำมุมที่มันหลบอยู่หลังต้นไม้นะ่ะมันเป็นมุมตรงที่มองเห็นกันไม่ถนัดตอนนั้นรพินก็เริ่มเกรอ้อมเพื่อจะเบี่ยงทิศทางหวังจะได้เห็นมันอย่างถนัด จะได้ยิงการเดินอ้อมหามุมยิงของเขานี่แหละทำให้เขาเดินมายังปากเหวที่มันสะกิ่งไม้อำพลางไว้แล้วก็ร่วงลงไปถูกเก็บกักสลบอยู่ในเหวนี่แล้วมันก็ยกกองทัพช้างหวนตลบเข้าเล่นงานทุกคนในแคมป์ที่หน้าผาตะเคียนทองจนเกิดการประทะกันขนาดใหญ่ผลที่สุดพวกนั้นก็ต้องถอยหนีขึ้นไปบนหน้าผาแคมป์ถูกเหยียบแหลกหมด เท่าเท่ากับที่พวกมันก็ถูกยิงล้มตายเป็นเบืออย่างที่เราเห็นพอรุ่งเช้านั่นแหละพวกนั้นถึงจะลงจากหน้าผาออกติดตามมาพบโดยบุญคําเป็นคนนําแกะรอยมาก้นบุรีกัซิก้าเหล่านั้นเป็นการแสดงบอกชัดครับว่าพวกนายจ้างอเมริกันทั้งหมดมาชุมนุมกันอยู่ตรงนี้ระหว่างการพยายามกู้ชีวิตระพินขึ้นมาจากปล่องเหว อนุชาเอ่ยขึ้นเป็นประโยคแรกแผ่วต่ํำชยันหันไปพิจารณาเปรียบเทียบระหว่างปล่องเหวกับต้นไม้ใหญ่ต้นนั้นอย่างใคร่ครวญแล้วเพ่นออกไปยืนอยู่ในตำแหน่งหนึ่งทันทีโดยหันหน้าตรงกับต้นไม้ดังกล่าวจากนั้นเขาก็ทดลองเดินเลาะอ้อมเพื่อจะหามุมมองไปยังด้านหลังของต้นไม้ดังกล่าวซึ่งเมื่อเดินอ้อมเป็นรัศมีเกือบครึ่งวงกลมก็จะมาถึงจุดปากเหวพอดี อดีตนายทหารปืนใหญ่เอาหลังมือขยี้ปลายจมูกอืมชัดเจ๋วเลยตามสมมติฐานข้อนี้กระพินจะต้องเดินเลี่ยงอ้อมต้นไม้นั่นเพื่อหามุมยิงให้ั น, นัดอย่างที่ฉันทดลองเดินให้ดูนี่แหละนานอินกับขยินทำหน้าเลิกหลักเพราะเท่าแล้วเท่ารอดก็ยังไม่รู้เรื่องอะไรโดยเฉพาะนันอินหันไปกระซิบถามอนุชาอดีตรานชดอธิบายให้ทราบคร่าว แกก็ลืมตากว้างร้องมาว่านี่แปลว่าเมื่อคืนนี้นายหญิงนั่งแล้วเห็นอะไรหมดส่วนนานอินนั่งเห็นเพียงแค่นางไม้หรือลูกสาวเจ้าป่าที่ชื่อเรียกยากนั่นมายืนกอดอกคำหัวอยู่เท่านั้นถามอะไรก็ไม่ยอมพูดด้วยแต่กลับเป็นฝ่ายบอกนายหญิงได้ทั้งหมดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่นายหญิงไม่อยากจกะบอกอะไรให้นานอินรู้มั่งเลยเมื่อคืนอ่ะ ฉันไม่กล้าเล่าอะไรลุงอินฟังเพราะก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันก็ต้องร้อยมาเห็นเหว์นี่สักก่อนถึงจะแน่ใจว่าสิ่งที่เทวนารีองค์นั้นนำดวงกิตของฉันให้ได้มาเห็นกับเหตุการณ์ต่างๆเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่เกิดขึ้นเพราะฉันคิดวาดภาพไปเองหล่อนบอกเรียบๆแล้วหันไปฐานพี่ชายใหญ่ว่าคราวนี้พอจะรับฟังได้แล้วหรือยังครับพี่ใหญ่ เชิาเอามือรูปคางพิจารณาไปรอบๆแล้วเหลือบลงไปในบ่อหิวหาก้นไม่ได้นั้นพลางถามไปทางอนุชากลางลองตรวจสอบให้ดูแน่ชัดสิว่าเมริกานกลุ่มนั้นมาชุมกันชุมนุมกันอยู่ตรงนี้จริงไหมแน่นอนครับพวกนั้นมารวมกันอยู่ที่นี่อย่างน้อยไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงครับ สังเกตได้จากรอยของการสูบบุหรี่ทิ้งกันไว้กลืน่นแล้วถ้าจะลงไปดูตามรอบหิวที่ต่ำลงไปนั่นก็จะเห็นวีแววของการโรยตัวไตาตามสายเชือกลงไปเพราะมีรอยเหยียบแง่หินรากไม้มีรอยครู้ผมเข้าใจว่าร่างของกระพินจะต้องลงไปติดอยู่กับรากไม้และเถาวันตรงนั้นนะครับอนุชาเอาไฟฉายประจาตัวส่องลงไปให้ดูซึ่งมันลึกจากระดับปากเขวลงไปราวๆสิเมตร แล้วก่อนจะลงไปติดค้างอยู่ตรงนั้นน่ะร่างกายของเขาก็จะต้องละกระทบฟาดลงไปกับแง่หินตามขอบเหวชนิดกระอักเลือดทีเดียวน้อยเล่าว่าในภาพที่มองเห็นน่ะใครที่ลงไปเอารพินขึ้นมาชายันถามขึ้นอีกโดยเร็วราชสกุลสาวชี้มือไปยังต้นไม้เล็กๆอีกต้นหนึ่งซึ่งยืนอยู่ไม่ห่างจากปากเหวเท่าใดนัก คริสติน่าผูกสายเชือกประจำตัวติดกับโคนต้นไม้ต้นนั้นติดเอวตัวเองแล้วก็โรยตัวลงไปในเหวนี่อาจจะเป็นพระไต่เหวได้คล่องกว่าทุกคนแล้วก็เบาตัวกว่าคนอื่นๆโดยมีบุญคำไถ่ตามลงไปอีกค น, นฉันก็แทบไม่เชื่อเหมือนกันว่าผู้หญิงผมทองคนนั้นจะเป็นคนที่ตัดสินใจได้เด็ดเดี่ยวและกล้าหาญที่สุดในการลงไปกู้ชีวิตระพินครั้งนี้ ทั้งทงที่เกิดดรวยเสย ก, ก็มาด้วยอาจจะเป็นได้ที่หล่อนไม่ไว้ใจใครว่าจะทำได้ดีกว่าตัวเองในสถานการณ์ขับขันเช่นนี้อ่ะถ้างั้นก็ QED ดีในภาพนิมิตของน้อยได้แล้วไม่มีปัญหาให้ต้องสงสัยต่อไปความจริงมันก็ต้องเป็นเช่นนั้นแหละจากหลักฐานแวดล้อมอื่นๆที่เราพบมาแล้วซึ่งมันมาประสานรอยเข้าได้พอดีพี่ชายใหญ่กล่าวหนักแน่น อบแขนประคองน้องสาวไว้ตบแรงๆที่ไหล่แต่ถึงจะเคราะร้ายยังไงพวกนั้นก็ยังช่วยรับพินไว้ได้ก็แปลว่าตรงตำแหน่งที่เกิดเหตุร้ายหน้าผาตะเคียนทองนี่รับพินของน้อยยังไม่ถึงกับชีวิตแม้จะอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมก็ตามดาริงกัดตินฝีปากนี่ในตาแห้งผากใครกำลังคิดอะไรก็ตามที ขณะนี้หล่อนคิดขอบคุณอเมริกันสาวผมทองที่มีนามว่าคริสติน่ากรูเบลที่ไต่เหวลงไปเอาตัวยอดรักของหล่อนขึ้นมาและเป็นผู้เยียวยารักษาพยาบาลดูแลเขาตลอดทั้งคืนบนหน้าผาที่หล่อนเข้าไปอาศัยนอนอยู่เมื่อคืนรวมทั้งหวนคิดไปถึงข้อความร้อยกรองที่แม่นักเคมีฟิสิกส์ผู้นั้นแอบเขียนไว้บนแผ่นหนังเก่งที่อาศัยรองนอนด้วย ด้วยจิตใจอันสูงส่งด้วยวิจารณญาณอันละเอียดอ่อนแม้จะห่วงและหวงบุรุษอันเป็นยอดดวงใจผู้นั้นซักเพียงไรก็ตามหล่อนไม่มีสิทธิ์ที่จะตั้งแง่เป็นศัตรูหรือคิดเคียดแค้นหึงหวงใดๆแม่ผมทองผู้นั้นได้อีกเลยไม่มีสิทธิ์จริงๆเพราะสตรีผู้นั้นได้พิสูจน์แล้วว่าได้ทุ่มเททั้งชีวิตเข้าช่วยเหลือพินไว โดยไม่ได้มีเลขกลอะไรเคลือบแฝงหล่อนเองตังหากที่ทอดทิ้งเข้าไปแม้จะชั่วขณะก็ตามและยามที่ภัยมาถึงตัวเขาเช่นนี้ใครละ่ะใครที่เป็นคนใกล้ชิดเขามากที่สุดใครที่ช่วยเหลือเกื้อหนุนเขาไว้ก็แล้วตอนนั้นหล่อนไปอยู่เสียที่ไหน ทุกคนพูดและวิจารณ์ถึงเหตุการณ์กันต่างๆรอดตัวไปหมดมีแต่ดารินคนเดียวเท่านั้นที่ยืนสงบงันจมอยู่ในห้วงคิดเช่นนั้นแต่ก็ไม่มีใครสักคนที่จะพูดถึงคริสตินาคงมีแต่เพียงเชษฐาคนเดียวเท่านั้นที่ยืนมองน้องสาวอยู่เงียบๆ เ, เหมือนจะอ่านลึกลงไปถึงก้นบึ้งของหัวใจและสังเกตท่าทีอยู่ ระหว่างนี้พวกนั้นช่วยกันค้นพบหลักฐานเพิ่มเติมยืนยันความจริงที่ได้ปรากฏขึ้นแล้วนั้นชัดเจนขึ้นตามลาดับขยินและพวกลูกหาบค้นพบร่องรอยการตัดไม้ไผ่มาทำเป็นแค่หามคนเจ็บไปด้วยนั้นอินพยายามชะงโงกตัวลงไปส่องไฟตรวจดูในโพรงเหวนั้นแล้วก็ชี้โวยวายให้ทุกคนเห็นไฟฉายประจำตัวของระพินที่หล่นลงไปแตกอยู่ยังบริเวณแง่หินที่ตั้กว่าระดับที่เขาติดทางอยู่ ลงไปอีกและไม่ได้มีการเก็บกันขึ้นมาด้วยโดยคณะกู้ชีวิตนั้นสิ่งเหล่านี้มันยิ่งประกาศชัดว่าไม่มีการผิดพลาดไปแน่จากภาพนิมิต ท, ที่หลอนเห็นด้วยอำนาจลึกลับพิเศษนั้นน้อยเสียงกระซิบเรียกมาเบาๆดารินสะดุง้งตื่นจากผวางังเชื่อถาจ้องนิ่งมาก่อนแล้วหลอนฝืนยิ้มกับพี่ชายซ่อนความวันไหวของดวงจิต ส่วนลึกไว้มิชิดแต่คนละเอียดอ่อนอย่างพี่ชายย่อมเท่าทันเสมอกระซิบแผวปลอบโยนต่อมาว่าน้อยถึงจะเคราะร้ายแต่ระพินก็ยังไม่ได้เป็นอะไรไปนะค่ะสำหรับในครั้งนี้แล้วก็ควรจะแน่ใจได้ด้วยอีกว่าคนอย่างรพินน่ะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปจากน้อยอย่างเด็ดขาด แม้ว่าจะมีผู้หญิงอื่นที่น่าสนใจมาผูกพันอยู่ใกล้ชิดเพียงไรก็ตามผู้หญิงคนนั้นอาจจะแสดงอะไรให้เขาเห็นซึ่งในหลายหลายอย่างแต่เมื่อเทียบกันน้อยแล้วยังไม่ได้หนึ่งในร้อยหรอกแล้วก็ไม่มีใครรู้จักระพินดีไปกว่าน้อยไม่ใช่เหรอ พ, พยายามพูดปลอบใจน้อยเหรอคะเ <c oughs> ปล่า <c oughs> พี่ก็พูดตามความรู้สึกแท้จริง แล้พี่ก็เชื่อมั่นอย่างนั้นนะดารินยิ้มอีกครั้งสายหน้าอย่างเศร้าๆกล่าวออกมาจากความรู้สึกภายในแท้จริงแต่น้อยน้อยไม่มีความเชื่อมั่นอะไรอีกแล้วละค่ะเชิฐ้าเดินเข้ามาจุงมือนําเดินออกไปห่างคณะนิดน้อยอย่าคิดให้ร้ายตัวเองแล้วก็ดูหมิ่นน้ําใจคนของเราอย่างนั้นสิ ทำไมคะน้อยอยู่หมิ่นน้ําใจของเขาเหรอคะอืมก็ถ้าคิดว่าเขาจะเปลี่ยนแปลงไปละก็นั่นแหละคือการดูหมิ่นน้ําใจละ่ะพี่บอกแล้วไงว่าไม่มีใครรู้จักรพินดีไปกว่าน้อยหรอกเขาเป็นเหมือนผู้ชายสามัญธรรมดาเป็นนักเวยโอกาสหรือเปล่าข้อนี้นะพี่ไม่รู้แต่น้อยรู้ดีหล่นอึ้งไปอีกครู่ แล้วเปล่าอย่างหนักแน่นมั่นคงว่าไม่ค่ะเมื่ขอรับรองว่ารพินไม่ใช่เป็นนักเฉยโอกาสหรือว่าใกล้ผู้หญิงไม่ได้หรอกอ่ะทั้งนั้นมีอะไรจะต้องห่วงในเรื่องนี้อีกละ่ะแต่ความใกล้ชิดมากความเห็นใจความที่ที่คิดว่าเขาอาจไม่ได้กลับมาอีกแล้วเหลียวไหล ไม่เชื่อว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนแปลงระพินได้หรอกยิงอยู่เขามีสิทธิ์ที่จะสำนึกในบุญคุณของคริสติน่ามีสิทธิ์ที่จะสนองตอบและป้องกันหล่อนไว้ด้วยชีวิตอันเป็นหน้าที่ของเขาอยู่แล้วแต่เขาไม่มีสิทธิ์ที่จะรักผู้หญิงคนนั้นได้อย่างเด็ดขาดพี่ใหญ่แน่ใจอยางงั้นหรือคะดารินถามเสียงเบาที่สุด เชื่อพี่เถอะน้อยพี่ดูคนไม่ผิดหรอกมิฉะนั้นพี่จะไม่ยอมให้น้อยออกติดตามเขาเลยคนคนนั้นน่ะพิสูจน์ตัวเองให้พี่ได้เห็นแล้วในเกียรตจิศแห่งความซื่อสัตย์สุจริตของเขาในทุกด้านพขาเคยบอกน้อยหรือเปล่าว่าเขารักน้อยค่ะบอกคั่ะถ้างั้นเชิายิ้มให้ตกหลับอีกครั้ง ถ้างั้นก็ไม่มีปัญหาสบายใจได้เลยดารินวราฤทธิ์จับมือพี่ชายใหญ่ไว้แน่นตกลงค่ะน้อยจะเชื่อพี่ใหญ่ว่าเขายังมั่นคงกับน้อยไม่เปลี่ยนแปลงเขาจะไม่ทำให้ผู้หญิงอื่นใดมาแอบยิ้มเยาะน้อยได้ภายหลังนี่น้อยพี่จะบอกอะไรน้อยสักอย่างนะน้อยอ่านไม่รู้ตัวก็ได้ อะไรคะระพินเป็นคนมีฝีมือแล้วก็ฉลาดสารพัดอย่างแต่ก็โง่อย่างเดียวอะ่ะเป็นความโง่อย่างที่สุดฉนี้หาผู้ชายคนไหนในโลกมาโง่มาเซอ่อเท่าเขาไม่ได้อีกแล้วซึ่งมันก็เป็นคุณกับตัวน้อยเองหมายความว่ายังไรคะพี่ใหญ่ดาริงงงเขาโง่ในเรื่องผู้หญิงไง ถ้ารักใครก็จะรักหัวปักหัวปมอยู่กับผู้หญิงคนนั้นคนเดียวไม่ยอมเหลียวดูผู้หญิงคนอื่นเลยนี่ไงความโง่เซ่อและจุดบอดอันน่ารักในตัวเขาพี่ไรพี่ใหญ่รู้ได้ไงคะเท้าหัวเราะเบาททำไมจะไม่รู้เพียงแค่อ่านข้อเขียนเชิงกวีของคริสที่รำพันไว้มันก็ชี้ชัดอยู่แล้วนี่ มันพิสูจน์ว่ารพีนั้นไม่ได้สนใจคริสติน่าในเชิงชู้สาวเลยจนนิดเดียวไม้ก็เป็นคนละเอียดอ่อนในเรื่องนี้น่าจะจับสังเกตพิจารณาได้นะดารินวราฤทธิดวงตามีประกายเ จ, จิดจรัสแช่มชื่นขึ้นมาได้เป็นครั้งแรกหลอนโผเขากอดพี่ชายใหญ่ไว้แน่นเรนไม่พูดอะไรอีกทั้งสิน้นในขณะนั้น เทฐานรูปหลังอย่างชนิดเจตนาจะให้สัมผัสอย่างปราณีนั้นไปปลุกปลอบสร้างความเชื่อมั่นให้แกน้องสาวอย่างแท้จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องใช้วาจาใดๆเลยแล้วก็จูงมือกลับมาร่วมกับคณะพักทั้งหมดที่กำลังยืนพูดกันอยู่อย่างปากโพรงหิวนั้นก็เห็นจะสรุปได้แน่นอนตามที่น้อยบอกนี่และครับพี่ใหญ่อนุชาเอ่ยขึ้นอย่างระมัดระวัง ณอเมริกันโดยการนำของพลานใหญ่ของเรามาเสียเวลาอยู่ที่หุบผาตะเคียนทองไม่น้อยกว่าสองคืนแน่นอนครับคืนแรกก็นอนพักกันอยู่ที่ข้างล่างตีนผาและระพินก็มาเสียทีไอ้ผีนรกนะ่นล่อมาตกปล่องเหวตรงนี้กลางดึกพร้อมกันมันก็เข้าโจมตีทางแคมป์พวกนั้นก็ถอยขึ้นที่มั่นบนหน้าผานั่นพอเช้าปรู่ก็ออกติดตามรอยหาระพินมาพบกันตรงนี้ ช่วยกันเอาเขาไปรักษาพยาบาลตลอดทั้งวันประตกกลางดึกก็พากันขึ้นไปอาศัยอยู่บนช่องโพรงตามหน้าผานั่นแหละหลักฐานการให้น้ําเกลือซึ่งเราพบกับหลักฐานทางเอกสารที่คริสติน่าแอบเขียนบันทึกไว้บนด้านหลังของหนังเก่งระยะเว้นว่างระหว่างนี้ยังมืดมนอยู่ว่าระพิงจะฟื้นคืนกาลังภายในวันรุ่งขึ้นหรือเปล่าถ้าหาย ก็อพยพกะเหลี่ยงทั้งหมดเดินทางต่อไปซึ่งก็อาจจะเป็นเวลาบ่ายหรือถ้ายังไม่ค่อยยังชั่วก็คงจะต้องค้างพักรักษาตัวกันอีกคืนหนึ่งร่วมเป็นสามคืนแต่จะยังไงก็ตามมันต้องไม่นานเกินไปกว่าที่จะให้ซากช้างเน่าและส่งกลิ่นซะก่อนไม่มีใครแม้แต่ดารินจะปฏิเสธหรือมีข้อโต้แยง้งแสดงความเห็นใดๆ กับข้อสรุปของอดีตพรานชดในข้อนี้เชษฐายกนาฬิกาข้อมือเดินป่าของเขาขึ้นดูวันที่ตรวจนับคำนวณอะไรอยู่อึดใจก็เอ่ยว่าเออนี่ถ้าการคำนวณของพี่ไม่พลาดนะคืนที่ระพินมาถึงที่นี่ก็ควรจะเป็นคืนเดียวกันกับที่ฝ่ายเราระแค่ราคายในเรื่องนี้และเรียกคุณนำพลเข้าไปพบในกรุงเทพเพื่อสอบถามความนั้นอีก มันก็เว้นระยะห่างกันแค่ไม่กี่วันนักจิงอยู่ถ้านับจากวันเริ่มออกเดินทางของระพินก็อาจจะดูว่าล่วงหน้าไปหลายวันแต่เมื่อนำเวลาที่เขามามัวล่าช้าเสียเวลาการเดินทางอยู่หลายครั้งทั้งฝ่ายเราที่ตามมาข้างหลังก็น่าจะเรียกได้ว่ากระชั้นชิดเข้ามาอีกมากทีเดียวเพราะฝ่ายเราทําเวลาแล้วก็ทําระยะทางได้รวดเร็วกว่าเขามากเพราะฉะนั้น ความหวังที่จะตามทันกันกลางทางก็มีอยู่มากทีเดียวพี่ใหญ่ของคณะกล่าวอย่างมั่นใจแล้วเต็มไปได้วยความหวังครับผมก็ว่าอย่างนั้นแหละน้องชายกลางหินด้วยผมหารือกลุงอินแลล่ะตะเกียถ้าเราไปถึงห้วยเสือร้องเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราก็จะรู้ได้ทันทีว่าเรากระชั้นชิดเขาในระยะขนาดไหนเพราะจะต้องสอบได้รายละเอียด เพพวกนั้นออกจากข้วยเสือร้องเข้าเขตนรกดําล่วงหน้าไปกี่วันแลนะอนุชาวเว้นระยะยักไหล่นิดหนึ่งก็แล้วอีตอนในเขตนรกดํานี่แหละครับเราจะทันหรือไม่ทันสวรรค์เท่านั้นแหละที่จะบอกได้เพราะเราจะไปหวังพึ่งข่าวสารจากชาวป่านะั้นไม่ได้อีกแล้วนอกจากการแกะรอยหรือคํานวณเต้าสกัดอย่างเดียว ผมเชื่อว่าคณะของรัพินเดินไม่เร็วไปกว่าคณะของเราหรอกเพราะมีฝ่ายนายจ้างเมริกันและสัมภาระที่ก่อนข้างมากเป็นตัวถ่วงเวลาอยู่กับเหตุร้ายที่คอยติดตามรังควานพวกเขาตลอดเวลาด้วยเออแล้วเราจะเข้าไปถึงห้วยเสือร้องภายในวันนี้นะทันไหมเนี่ยชยันซักโดยเร็วอนุชาเหลือบดูตะวันเช้าก็ถ้าไม่มีอุปสรรคอะไรก็เชื่อว่าทันนะ อาจจะหลังตะวันตกดินไปแล้วแต่ก็ไม่ควรจะเกินสองทุ่มเป็นอย่างช้าพี่ใหญ่พูดถูกแล้วรับพินเสียเวลาเท่าไหร่ก็เป็นกำไรทางฝ่ายเราเท่านั้นว่าแต่ว่าราชสกุลหนุ่มอดีตนักผจนภัยหัวเห็ดหันไปมองพี่ชายใหญ่อันเป็นหัวหน้าคณะพี่ใหญ่จะเอาอยัางไงครับแกะรอยตรวจ ด, ดูเส้นทางเดินเข้าไปตามลาดับ ู้ว่าจะให้ผมก็ลุงอินหาทางลัดย่นย่อมุ่งไปห้วยเสือร้องเลยทีเดียวโดยไม่สนใจว่าพวกเขาจะไปกันทางไหนโดยไม่จำเป็นต้องเสียเวลาคิดเลยเชีทายคำตัดสินใจอย่างมั่นคงว่าพี่บอกแล้วไงว่าก่อนจะถึงห้วยเสือร้องเราจะต้องแกะรอยพวกเขาไปทุกระยะชนิดเดินทับรอยไปได้นะยิ่งดีเพราะมันจะทำให้เรารู้เห็นจากหลักฐานไปตามลาดับ อ่านเหตุการณ์ออกทุกขั้นตอนว่าพวกเขาเผชิญกับเหตุการณ์ชนิดใดบ้างเหมือนเหมือนอย่างที่เราได้พบกันมาแล้วเป็นลำดับนี่แหละถ้าเราใช้วิธีตัดทางก้าวสกัดโดยมุ่งไปยังห้วยเสือร้องเสียตั้งแต่แรกทีเดียวเราก็จะไม่รู้อะไรดีเหมือนอย่างที่เรารู้เห็นกันอยู่ในขณะนี้ระหว่างการหารือกันโดยใช้คําพูดโต้ตอบอย่างรวดเร็วนั้นดารินเป็นฝ่ายยืนสงบฟังเฉยเหมือนจะคิดอะไรอยู่คนเดียว แล้เหมือนจะเป็นการเอาใจอนุชาแลไปทางน้องสาวเล็กถามทำนองขอความเห็นอีกคนนึง อ, อ, อน้อยพี่ใหญ่เขาจะเอาอยังงี้แล้วน้อยจะเอาไงดารินตื่นจากทวังคิดกําลังใจและความมานะทรหดสุกใจขาดดิ้นกลับคืนมาอีกครั้งก็สุดแล้วแต่เสียงส่วนใหญ่เถอะค่ะหลายๆความคิดเจ้ดีกว่าความคิดเดียว พี่ใหญ่พี่กลางช ย, ยันแล้วก็ลุงอินสี่คนเมื่อมารวมแนวความคิดกันเข้าแล้วก็เปรียบอะไรไม่ผิดกับคณะเสนาธิการอันมีสมรรถภาพสุดในการเดินทางครั้งนี้แต่น้อยขอมีข้อแม้ไว้อย่างเดียวเท่านั้นแหละข้อแม้ยังไงสามชายถามมาเป็นเสียงเดียวกันดารินเดินตรงเข้าไปชิดตัวเจ้าด้วนที่ยืนยืดกายแกว่งงวงอยู่ใกล้ๆ ลักษณะของมันยามนี้มองไม่ผิดอะไรกระชังเลี้ยงของคณะที่ร่วมเดินทางมาด้วยหล่อนเกาะไว้ที่ขาหนาใหญ่โตของมันแล้วตกเบาๆอย่างแสนรักก็ถ้าเจ้าด้วนของน้อยตัวนี้ไม่แสดงกิริยาผิดสังเกตยัยงไงน้อยก็จะให้พี่กลางนาทางไปตามปกติแต่ถ้ามันมีอาการผิดสังเกตจะโดยแสดงปฏิกิริยาอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อจะนําทางไปอีกด้านหนึ่ง ่ขอใหอยทุกคนอย่ามองผ่านไปซะขอยเดินตามมันไปเพราะน้อยเชื่อว่ามันจะต้องนำเราไปพบกับหลักฐานอะไรที่เราอาจค้นไม่พบหรือผ่านไปซะอย่างคิดไม่ถึงก็ได้ตกลงไหมคะอนุชากระชัยันทาสีหน้าไม่ศรัทธานะักแต่เชษฐาพยักษ์หน้าบอกมาทันทีว่าอ่ะตกลงตกลงน้อยพี่จะไม่ขัดใจน้อยในเรื่องนี้พี่เชื่อเต็มทีว่า ระหว่างน้อยกับช้างป่าของเราพิน์ตัวนี้มีอะไรพิเศษที่สามารถจะยังรู้ถึงใจิตใจของกันและกันได้เป็นอย่างดีแต่คอยสังเกตพระเครื่องรางและกระดึงที่น้อยผูกคอมันไว้ตลอดเวลาด้วยนะในกรณีที่มันโผูกมาทุกครั้งถ้าทั้งสองสิ่งนั้นขาดหายไปจากคอมันเมื่อไหร่อย่าไว้ใจเปน็นอันขาดแม้ว่ามันจะแสดงความเชื่องสักขนาดไหนก็ตาม น้อยจะคอยดูไว้ตลอดเวลาลแล้วก็เชื่อว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับประดึงผูกคอนั้นจะไม่มีวันหลุดไปจากคอของด้วนอย่างเด็ดขาดค่ะดารินรักคำอย่างมั่นคง